ธาตุลมก็พัดตลอดเวลาดินาน้ํำลมไฟทําหน้าที่ของมัน <c oughs> ตามธรรมชาติชั้นใดดินน้ํำลมไฟที่รวมมาเป็นในตัวเราก็ต้องทําหน้าที่ออกมาเป็นกระแสอ่าเป็นกระแสพลังงานกระแสพลังงานอ น, น, นี้ถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนาก็เหมือนเราจะฝึกฝนตนเองให้เป็นวิศวกรพลพลังงานนั่นเองเพื่อได้จัดระเบียบกระแสของความทุกข์ในกายของเราเนี่ยออกมาเป็นระบบ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 ความคิดก็เป็นพลังงานเป็นปผลิตเป็นผลดอกมาละผลิกอันนี้จะใช้ได้ไม่ได้ก็ อ, อยู่ที่เหตุของมันว่าออกมาเป็นในส่วนที่สบายก็เป็นปผลิตอันนึงออกมาเป็นส่วนที่ไม่สบายก็เป็นโปผลิตอันนึงเป็นผลผลิตของเหตุท่านได้กล่าวแล้วว่าความคิดต่างๆเนี่ยมันออกมาจากความหลงและความรู้ความคิดใดที่ออกมาจากความหลงก็ ม, ง ม, มีต้นเหตุมาอีกแบบหนึง่ง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 ชุดแรกเนี่ยท่านโมคลานะบอกว่าสิ่งที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งสุ ข, ขุมคำพิลภาพเพราะนั้นไม่สามารถที่จะทำแบบธรรมาดาได้แต่ขอปลีกวิเวกสักเจ็ดวันลองไปทำดูที่ท่านว่าไหมก็ไปนั่งทำสมัยนั้นคงจะใช้อนาปานาสติคือนั่งอย่างไรก็หลับนั่งอย่างไรก็หลับหลับเป็นวันที่หกนั่งอยู่ในบนไหนก็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 แต่ะจะเพื่อจะกล่าวเป็นภาษาที่น่าเลื่อมใสหน่อยว่าผู้ทธเจ้าทรงเล่งยาน <c oughs> ดัภาษาพราหม์เมื่อสาวกแยกไปแล้วเป็นวันที่เจ็ดท่านก็เล็งยานดูว่าใครไปตรงไหนแต่คงจริงก็เดินไปจงกรมไปดูขนั้นี้จะไปว่าก็ถูกยู่ไปเลือยไปใช่ไหมอันนี้เราไปยกย่องศาสดาจนเลอเลือจนโอโหโยกเป็นพระเจ้าไปเลยก็ไปเดินจงกรมอยู่ห่าง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 จ็วั น, วนแล้วยังฟุ้งซ่านอยู่เลยนะเพราะเพืเ่นคนฉลาดมากูเปรียบเทียบผูดได้ยัดจัดอะไรท่านก็แยงแย่งยงยงแยงหมดเอามาคิดแล้วก็แย้งมาคิดก็แย้งไม่เห็นด้วยเพราะท่านเป็นคนฉลาดฟังมามากผ่านมาหลายเจ้าและที่หลายอาจารย์ในที่สุดเป็นวันที่สิบสี่จากการบวชลุงของท่านชื่อว่าทีค า, า, าร์นคะนามสกุลว่าอคคิเวสนาโคตเะ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 ความรู้สึกไม่สบายเป็นเหตุกล้ๆของการเกิดเมื่อการเกิดดับทํางานอยู่โดยธรรมชาติก็ต้องมีความรู้สึกสองประเภทนี้ขึ้นและมีความรู้สึกบางอย่างที่คุณตามรู้มันไม่ทันเรียกว่าอาทุกขความรสุกเวทนาเป็นเวทนาที่ไม่แน่ชัดว่ามันเป็นอะไรนะพระพุทธเจ้าก็แจ้งเรื่องนี้ไปเพราะฉนั้นในเวทนานะั้นมีทั้งเก้าใช่ไหมสุขธรรมดาสุขที่มีเยื่อสุขที่ไม่มีเยื่อสามเลใช่ไหม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 สิบห้าวันแต่ว่ามุคลานะแค่เจ็ดวันใช่ไหมเพราะเรื่องเรงง่วงเสียดายคุณทวีชัยน่าไม่ถึงพื้นไม่กี่นะถ้าสงบถึงพื้นได้เป็นมุคลานะสองอีกคนนะึง <c oughs> เพราะฉะนั้นในเวทนาถึงเก้าเนี่ยพอต่อไปเวทนามันพัฒนามาเป็นมานะทั้งเก้ามาเป็นตัวกิเลสตัวใหญ่เลยถ้าเราติดสุขเวทนาสาคัญว่าดีกว่าเขา